แปล ว, ว่ากำเนิดสัตว์เดรัจฉาน 3. ปิติวิสัยแปล ว, ว่าแดนของเปรตหรือถิ่นของเปรตเปรตคือพูดผีปีศาจที่อดอยากต่างๆต้องคอยรับส่วนบุญจากมนุษย์ 4. อสูรากายแปล ว, ว่าพวกอสูรอสูรหมายถึงพวกยักษ์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 ขินหรือกำเนิดที่แลวสามไม่ค่อยมีความสุขความเจริญเรียกว่าทุกขติทุกขติโดยปกติในสูตรทั่วไปแบ่งไว้เป็นสองคือหนึ่งนิระยะนรกและสองติรชา น, นโยนิกำเนิดเดรชานในบางสูตรกล่าวว่าทุกขติมีสามก็มี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 แปลว่าไม่ตกต่ำคือไม่เกิดในอบายภูมิและจากความหมายนี้จะเห็นได้อีกอย่างว่าคำว่าวินิปาตะหรือวินิบาทก็เป็นไวยพจน์ของคำว่าอบายเหมือนกันสังสารวัดแปลว่าการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งคำนี้